เลไม่เอิบด้วยนะบันดิกไม่เอิบด้วยครับแล้วเรากินข้าวกินโตัวควันต่อตานขาวทานเที่ยงจานยืนเวลาอา ก, การทานอาหารายอ้วนใหญ่เหมือนอไก่หมูซึ่งเธอช่างขายบ่อในข้า ค่วยได้ทําหมดราคาอาเตดตมามากินอาหารใจอาหารการกินใหญ่ทะสรูปเสร็จควรลกชาอรียมเหมืนอมมนนมเป็นนมอมาเรียมะดูตรงไปจรไปดูปเธอไหลเดินเติบโตในกิจิญญาต า, าร้รองเธอเลยขอ ขาดแคลนขเกิดโลกโรคทางจาันทาขาดแคลนทนั่นสินครับขาดากิดองเงี้ยใ่แล้วพอไปโปิดแล้วความชนของจิตวิญญาณทำให้เกิดทุกข์เกิดความโกรธความโลภความร้องความริตกความโก ป่าจิตใจไม่ขาดแคลนไม่นีหรอกพวกนั้นโรกนันรักษาหายหายโตกางกองทุกข์กองโกรธโรคกองหลงกวิตกกองรักษาหายโรคของกายหายตรงนี้ไมหายตรงนี้บางอยาต้องรักษาหด้บางอย่างต้องบรนเท า, าบางอยางก็รั ให้สุขุลีไว้ชิ้นเราให้ติดของเสียติดเสียละเนี่ละทิจารณาแล้วละทิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วปันเท่าพิจารณาแล้วโมริโภคแต่ว่าจิตใจของเรานี่ยอยให้ขาดแคลนทำของ อ, อุตส่าห์ผอิตได้ เป็นคู่ชีวิตไปไหนอย่าไปคนเดียวในะไม่คู้ฟอกไปกับพรุ่รูดสึดตัวในพรุ่งรูดสึดตัวอยู่เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ชีวิตที่เป็นอวตารเป็นชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตที่ไม่มีเครื่อแงแก่เก็บตายพรุ่งรูดสึดตัวพัฒนาจนถึงเป็นมัพเป็นฝนแะล้ว มันมีวันเกิดแก่เจบตายในพวกมีสติสมบูรณ์พวมีสติต่อเนื่องพวกมีสติตเป็นหน้ารลกเราไม่ต้องมาเลยสงสัยพยายามผ่าเปลี่ยนสั่งลงไปไปใจเห็นอะไรมากมาปเห็นความหลงเห็นความผิดเห็นความทุกข์มาเข้าแถวนี้เราดูเราก็ดูจะก็เติมงินไปเรืแล้วเรืแล้แวเห็นแล้ว เห็นอะไรก็เฉลยได้ในความรู้สึกตัวเป็นทพศตัดเห็นโลกมาทำเห็นนามมาทำเห็นมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการอย่างไรธรรชาติของโลกคามงามของโลกความร้อนความหนาวเป็นอาการของโลกความปวดความเมอยเป็นอาการของโลกหลอย่างอาการของโลกส่วนเป็น มีอยู่กับลูกผมเคมีแสงอาทิตก็มีความร้อนมีละอองผนก็มีลก็มีความหนาวมันเป็นรรมชาติของเขาในโลกชีวิเราเกี่ยวข้องกับวัตถุอาการมากมายความร้อนในความหนาอะไรเช่นเดียดนอกตัวในตัวตอบกันมาได้ใช่ตอบได้ทั้งหมด ความอยากกอปล่อยระวังใยวางอยากก็รับปิดชอบการลดจะปล่อยจะวางคือเหมือนหนึ่งเดียวในโลกที่เรืองามนทุกอย่างในโลกถ้าเอปล่อยวางแต่เราไปยึดไปถือก็มหมือนไล่ตามทุกอย่างก็ึงปลายความยินดีความยินร้ายที่สุดก็เป็นผลระทบตลอดแต่ความยินดีอะไรเสียบ้าก็จะต้องเป็นสมประทบ ถ้าเราเห็นร่างก็เจริญร่นานก็เป็ น, นปกติถ้าปล่อยปล่อยวางวางก็หนึ่งเดียวในโลกที่เราจะเป็นหนังเป็นหนังชีวิตหนึ่งเดียวคือความไม่เกลนืนความไม่เปลี่ยนแปลของเส้นของวาตของโลกส็บตัวต้องให้ลงตัวเป็นหนึ่งเดียวแสดงมาราบให้มันมี แต่ความรู้สึกตัวพวกเราตั้งอยู่นี่ก็เป็นคนคนเดียวครับแต่ถ้าเราหลงไปราเป็นคนละคนไปเสียแล้วธรรชาเป็นสัจจ์เป็นสัจธรรมเป็นความถูกต้องเป็นความลงตัวเย่างเราไปเห็นโลกเห็นนามโลกนามก็จะบอกตอบมันก็เปิดต่อบมให้เราดูว่าเราเปิดบ้านไอะไรที่มีอยู่ในบ้าน บางอย่างสิ่งที่มันปลอมไปมันหนีออกไปเป็นเปิดบ้านได้พวกงูพวกหนูอะไรทีมันซุกซ่อย่ใช่ไหมมันก็โดดที่ไปแต่บางอย่างมันเป็นของทิมประโยชน์เปิบ้านได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของม้านมันก็อยู่แต่ไหนที่มันเป็นอาศัยหมกอยู่มัก็หนีไป ถ้าเรามีสเสถียถ้าเป็นเจ้าของเป็นของโลกของโขดของหลงของทุกขเนีย่ยไม่อยู่เพราะไม่ใช่ของที่มีอยู่ในบ้านมันเป็นของที่จอนมาอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวเราก็เห็นมายาสาธัยของมันมันก็มันก็เห็นเราหันโจรแล้วก็อายเจ้าของแม่พระรับต่อหนะ้ามันก็ให้ค่อยดื้อจ้า วัเราหรือวันเราไปเจอต้นไม้ที่กินได้บางโลกก็พอเคยวเนี้ยหน่อยก็หล่นลงอ่ะแต่บางโลกก็ต้องสอยต้องเนี้ยหออลงมาแต่บางโลกก็เหมือดแห้งติดต้นติดจริงแบบทุกบางอย่างที่มีอยู่ในชีวิตเราวันแต่เราวันแโลกบ้างบางอย่างก็หลุดนะ ความเลยสงสัยพวโ ง, ง่โหลงออกมาหล่นนะไม่โง่เหมือนมาเกาะเสลี่ยนแปลงแปบางอย่างก็สองวันสาวันหลุดออกไปอาการต่างๆที่อยู่ในโลกใ น, นาบางอย่างก็เป็นของที่ใช้ได้ก็ อ, อยู่ต่อไปเป็นความรู้สึกตัวสิมสสมาธิปัญญา เมื่อสินอยู่ในที่ดเมื่อสมาธิอยู่ในที่ใดปัญญาอยู่ในที่ดเกิดความเป็นตามเกิดความชอบเท่าโดยในกายประสอบจำจะพูดเสงจะทำเสิยงใดจะคิดอย่างใดประกอบไปด้วยเมตตาประกอบได้วยความคารัทาดีประกอบด้วยการรับผิดชอบที่จะอนุคราเพื่อภูหรือเราเรียว่าความรักเน่ความรักเน่ยรอเรือไม่หันกอไ่ ตัวเดียวกันเสียงเดียวกันแต่ความลักเท่ปฏิทนาดีประกอบไปด้วยเมตตาชิดช่วยหรือชิดจากจะสงเคราะห์น้องข้ขขนะไรเป็นความลับที่เมตไปตรแต่ความลับอันอน้อยหนุ่มสาวลักกันความลักอันนี้อาจจะเป็นสัตว์ตัวู้อล็กราะมันเปรียนเปี่นมาเป็นดีสิ่งที่ผิดเปี่ยนมาเป็นสิ่งที่ถูกพอเราในความรู้สึตัว มันพัฒนาวัฒนธรรมให้ดีขึ้นนะถ้เราจะมาฝุกขาด้าไมฝึกมันไม่เป็นแล้วก็จะเกิดการเห็นธรรมดาการดูไม่ต้องเกิดการเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นการเห็นแล้วก็ไปเป็นไม่ใช่ลักษณะของการเห็นยกตัวอย่างนี้าเป็นผู้เห็นแล้วให่ได้แต่ถ้า ทกอย่างถ้าเห็นแล้วก็ไปเป็น่ใช่ไหมได้ถ้าเห็นแล้วดูความหลพ้นก็ไปอยู่ในภาว่าที่เห็นนั้นเห็นโลกปัญหาเรื่องที่เกิดอยู่กับโูกไม่มีไม่ได้เกิดความฉลาดเป็นปัญญาไม่ทำโทษทําทิ่ยวทำไปปลายมาเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดปัญญาเกิดยามอย่างโูกเกิดเห็นก็ไม่เทียบกลายเป็นปัญญา เห็นความทุกข์กลายเป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนกลายเป็นปัญญาแต่ถ้าบุตรชนเห็นควไม่เที่ยงเสียใจเศร้าโศกเป็นคนเป็นทุกข์เศร้าโศกเห็นความไม่ใช่ตัวตนเศร้าโศกคือตกความโกลเศร้าหงษ์เสียดายมันก็ต่างกันถ้าเรเห็นของจริงของจริงมันบอกควาไม่เที่ยงก็จริงแบบความไม่เที่ยงความเป็นตุกข์ก็จริงแบบความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็จริงแบบความไม่ใช่ตัวตน ถ้าเราเ้งใสามอย่างเนี่ยเพียงไปสูมมติสมผลได้เียงกันเห็นสิ่งเหลนี้แบบเป็นทางดําเนินไปสูมมติผลเพราะมันมีอยู่จริงความไม่เที่ยงในลูกมีอยู่จริงสี่เป็นสมมตที่เป็นบัญญัติความไม่เที่ยงในลู ก, กรรความไม่เที่ยงในหนาเช้มของโรกรธเป็นเรื่องความไม่เที่ยงอยู่ในหนานความรอดความนาอยเป็นความไม่เที่ยงใ น, ในลูกความ แต่เกิดกาจากธรรมชาติแล้กวก็เป็นภ่เที่ยงของเข้อถ้าเห็นจริงๆเห็นของสามอย่างเจริญในไทรักเนะี่ยมันจะเป็นถังขยะเอาไปทิ้งลงได้เอาความโกรธไปทิ้งลงได้เอาความทุกข์ไปทิ้งลงได้เอาความวิตกกังวลสมองไปทิ้งลงได้ทิ้งลงในมไม่เที่ยงทิ้งลงในความเป็นทุกข์ทิ้งลงในค ว, วามไม่ใช่กุศลไม่มีขยะในหัวใจเดีย๋ยวนี้เราไม่มีที่ทิ้ง ความโกรธกำลังเป็นอหยัดในใจเป็นรอยรอยรักรอยแค่ลอยสศครอยทุกรอยได้รอยเสียเพราะไม่มีที่ทิ้ยังเป็นแขยังเป็นเรี่ยงเป็นร่องรอยอยู่ร่องรอยของความรักร่องลอยของความได้ความเสียชีวิต ท, ที่มีมีแผลมีมีร่องรอยต้องซ่อมโรคบางรคต ลอยลากก็ลบไปถ้าเอาไปทิ้งลอรลากเเป็นทังขยะของชีวิตกรจะเดินอยู่ตรงนี้หรอชีวิตไม่มีขยะเพราะฉะนั้นถังขยะี่น่ากเองลงไปเราจะดราเป็นทุกข์ความทุกข์มันจริงไหมเอาไปทิ้งลงก็ไม่เที่ยงก็ทุกลทุกข์กี่ขั้นกี่หนทุกเรื่องเดียวกี่ขั้นกี่หเราไปโยจะทิ้ง จนความทุกขามันอิ่ตัวพอเยืเ่อแตกชีวิตเราก็เลยเป็นล่องเป็น่อย เ, เก็บปวดปวดร่าวตองเราไปเที่ยงเราถ้าเหนา็นต่รักตามตรงจริงอยไปลูกอยู่ในน้นาพอเห็นลูกเป็นน้ำก็มากเก็นยันใจรักกันทุกคนพอไม่เที่ยงแห่งลูกพอไม่เที่ยงแห่งน า, น า, างเนที่ยงควโกรธเที่ยงควไม่เที่ยงนะครับไปเยื่อแตกชีวิตเราไปเยื่อกระด้างบางหายไป ม, ม, ตตมันไม่ใช่ตัวใช่ต้นตองโกรบมันไม่ใช่ตัวใช่ต้าตองมองมอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้งูเี้มันจะต้องบอกต่อพอม่เที่ยงก็บอกอกเป็นทุ่งนก็บอกหรๆๆอไมอม่ใช่ตัวตนมันก็บอกรอกเราก็ฉลาดฉลาราะยันสิ่เหล่านี้ที่มีอยู่ในรูปที่มีอยู่ในหน้าเราก็รล้ดจากเลือดสิ่งเราล้ลลองตลกเรามาได้ เป็นสมมติสมมุติก็จริงแบบสมมุติเป็นคําพูดในโลกไม่เต็มไปด้วยสมมุติใช่สมมุติกันอย่างหลงพ่อมาสมที่ไหนสมมุติกัน้าสมอย่างคารวะที่อาโจมไงยังไม่สมมุติพอจะว่าเป็นสมมุติแบบธรรมดาก็จริงแบบสมมุติไม่ใช่จริงแบบคาตวะ ถ้าเจียงแบบปรมามัดเจียงควเป็นพระความเป็นพระนั่นเองเจียงแบบสมมูรณเจียงแบบปรมามัดเจียงแบบปรม า, ามัดคือยูทุกชีวิตเป็นพระใจดีเมือ่อใดไม่ได้เลือกเพศคนใจดีไม่อยู่ในเพศไม่อยู่ในวัยไม่อยู่ในชาติไม่อยู่ในบัพติสแต่คนใจดีเนี่ยเป็นปรมามัดไม่เกี่ยวกับเพศอ โบราณใช่ว่าใจร่ากินีจดีกันรความเดินพรนี่ น, นสมมุติเท่าถึงปรมาจดชีิตเปิแต่ถ้าเด็นพาพแบบของพ่อเนี่ยเป็นเป็นสมมุติแใจดีเข้าไปก็เรียกว่าพระเรียจ้าพระญาติยมที่ลงกางเข้งขาสั้นขายาวเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อเขียวเป็นพระเลียบุคคลได้มีเทา่ากันตอนเป็นพระเป็นได้หมอนกัน เป็นได้ทางสติปัญญาเกี่ยวกับจิตใจของเราตอนี้มันไม่ใช่สมมุติเป็นธรรมะเราก็รู้รู้จะเป็นเป็นสมมุตริรู้จะมันเป็นธรรมะที่เป็นเนจถียรคำพูดคำจาเราสมมุติใช่แต่สลาหลังนี้เราก็สมมุติว่าเป็นสลาหัวใจเราก็สมมุติให้แต่สลามันไม่เป็นอะไรจร้ะกัน มันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นของเขาอย่างของนี่ชอบอย่างของไม่ไม่ชอบพอถูกสมมุติเราเราก็ชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้สิ่งที่เราชอบมันก็ว่ า, วามันไม่ดีมันไม่ได้ไม่ดีมันก็ไม่ได้ดีมันก็เป็นอยู่ของเขาตามสมมติฐานยิง่งพอเราไปสมมติออกฉันเป็นอาลุงพอตายเห็นโลกไม่มีสติเข้าไปถึงสมมติไปถึงวัฏฏะก็ถึงของหลอกยินดียินล้ายยังไง ตายในโลกไปกลไปถึงความยินดียินร่าเป็นสมมุติสมมุติลองรับไปเมื่อสมมุติเราหล่อยินดียินร่าเกิด อ, <c oughs> อะไรตอบไปอะไรอยากเมื่อเรามามีสติเราเห็นสมมุติที่มันมีอยู่ในโลกอยู่ในโลกทฤเฎีหนาที่เป็นสมมุติบัญญัติบัญญัติทิ่ต่างกันแต่ประมรัฐเปน็นเดียวกันเป็นความไม่โกรธเป็นอนเดียวกันความโกรธเป็นคนละอยา่าง บางคนก็โกรธเพราะวัตถุสิ่งของบางคนก็โกรธเพราะอารมณ์บางคนก็โกรธเพราะต้ า, างโทษฟังหูโกรธเ ต, ตาเห็นโกรธเพราะอะไรต่างๆผลระยะาแต่ว่าอันเดียวกันคือควโกรธมันเป็นสมมติฐานอยา่างถ้าความไม่โกรธเป็นปรมเหมือนกันหมดทุกคนเนี่ยทให้เราเป็นคนคนเดียวคันทาให้ทุกอย่างเป็นทันเดียวคัน แต่ถ้าเรายินดียินแล้วเราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนั้นก็เป็นคนระโลกสิ่งเราตั้งก่อกระทบกระเทือนต่อมันบอกความจริงมันบอกมันบอกหลอกเราเ ห, เห็นของจริงเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับรูปกํามนาม น, นี่ไม่ใช่เห็นทรรมว่าเห็นสีเห็น l ิม i t เห็นนอกจากกายนอกจากใจเราไปไม่ใช่นั่นจับเป็น limit น i ม i t ไ, ไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอก แม้เราจะไปเห็นสวรรค์เห็นสี <laughs> เห็นแสงที่นอกตัวก็จับเป็นเม็ดทั้งนั้นตอนเาเห็นโลกเห็นนาเป็นปรมตานิมิตก็เป็นนิมิตของกิ่งที่สัมผัสได้นิมิตที่นอกตัวสัมผัส ไ, ได้บางคนก็เป็นได้บางคนก็เป็นไม่ได้บางบนงทีเราอย่าไปเชื่อนิม็ดนอกตัวเราก็เคยเคยหลงมามกแต่เรื่องเกิดนิม็ดจะตอนน้อยทายทัก ลูกเกิดนิมิต์จริงแบบเห็นนิมิตไม่จริงบ้างปิดบ้างล้มบ้างแต่นิมิตที่มันเป็นตัวเป็นตนนี่จริงเห็นกายกเป็นกายจริงเห็นความคิดเป็นความคิดจริงแล้วเกี่ยวข้องกับกายก็ถกต่อเกี่ยวข้องกับจิตใจก็ถกต่อใช่ในมิตเป็นประโยชน์เป็นนิมิตที่เรารับผลเราเดินไต่สะานไม่ล็อกไม่ราสะพานจับเราก็ไม่มีโอกาสที่จะหลดนลงไปในน้ำ เราเห็นล you know you know ูกลูก uh. ม <uned> ันบอกรว่ามันคืออะไรวันที่ไม่เที่ยงอะไรมันเป็นทุกอย่างไรไม่ใช่ตนตนเนี่ยมันบอกหรอมันเปิดเผยลูกพกลูกทวดลูกจบลูกพกลูกทวดสิ่งไหนที่เป็นเรื่องลูกลูกบอกไม่มีตรงไหนปิดบังหาังผาสิ่งไหนที่เป็นสมมุติบอกบอกสิ่งไหนที่เป็นบัญญัติสิ่งไหนที่เป็นวลมัธบอกบอกเราก็เลือกได้เลย สมมติก็ใช่สมมติตามสมมติเั็นแบบจริงแบบสมสมติแต่เราไม่ได้ทิ้งม่อะไรทิ้งไม่อะไรทิ้งสมมติเราไม่น้าที่ก็ใช้สมมติให้เป็นประโยชน์นี้ตานทีก็เห็น อ, า, อาการต่างๆวัตถุอากาศกายก็เป็นวัตถุหนึแล้วอาการของกายก็มีเยอะ วัตถุตั้งโลกก็จะเป็นเลยวัตถุไม่พื้นดินมีป่าไม้ไม่ท้องฟ้าไม่ดวงอาทิตย์ก็เป็นวัตถุอยู่ในโลกแสงอาทิตย์ก็เกิดความโลกและองฝนไม่หมาะกันเป็นวัตถุอากาศตาเราก็ต้องเห็นมีวิญญาณถ้าไม้เกิดการเห็นเป็นวัตถุอะไเมื่อเห็นแล้วมันมีอาการเมื่อมีอาการเราไม่มีสติเราไม่รู้สมรสก็เข้ามาแทรกความหลงกเข้าไปซ่อนไป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 ถ้ามีสติอินทรีย์เป็นใหญ่แล้วอาณาจัก ท, ทั้งหลายสํารวงลงไม่ต้องไปหลักหูหลักตามันจะสํารวงลงเองถ้าเรามีสติเพราะสตินั้นเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่เรียกว่าสติอินทรีย์แต่ว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่แต่ว่าตามันก็เป็นใหญ่ยาหูไปดูก็ใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ามันมีสติมันก็ใหญ่ไเลยเตือนนะพระเจ้าเรี่ยงเทียบนั้น อเอาสัตว์ออกแค่นิดมอยู่ด้วยกันมีตาเหมือนงูหูเหมือนนกจ ม, กมนนูกเหมือนสุนัขป่ากายเหมือนสุนัขว่าเลินเหมือนจระเข้ใจเหมือนลิงพระเจ้าเปรียบเทียบเอาสัตว์ออกแคนิดมาผกด้วยกันถ้าต่างฝ่ายก็จะต่างไ่ายคนละตางงูก็จะเข้าจองผูก สุนัขบ้านก็จะวิ่งเข้าแดนบ้านสุนักป่าก็จะวิ่งเข้าป่าเลงก็จะขึ้นต้นไม้จร ะ, ะเข้ก็จะลงนะำเล่นมันจร ะ, ะเข้จร ะ, ะเข้จะลงน้ำจะเปียกใจเนี่ยมันลเลงเลงก็ขึ้นต้นมามันอยู่ไม่เคดไม่เคยเห็นเลี้ยงนั่งอย่ารงนีน้คิดใจของคนก็นมาต่างแถ้าเราไม่ไม่เสติไม่รู้ท่าทันเพราะเกิดจับเกิดตับที่ยิบ เกิดแล้นเกิดแล้วนั่นต่อไปเรเรียกว่าอาการเกิดดับของของลูกนางถ้าอาการเกิดดับของนางมารุ่จบกันทีถ้าอาการเกิดดับของรูกสาวเกิดเจ่งเท่าไรก็เป็นทุกข์แบบเกิดความรักก็เป็นทุกข์แบบของมรักเกิดความชั่งก็เป็นทุกข์แบบความชังเกิดความวิตกความวุ่นก็เป็นทุกข์แบบความวิตกความวุ่นเกิดดีใจเจ๊ใจเป็นทุกข์แบบตีใจเจ๊ใจไม่ใช่ดีใจ การดีใจนี่ไม่เป็นธรรแต่ว่าใจดีนี่เป็นธรรการดีใจจะไม่เป็นธรรได้ล่าเขาก็ดีใจได้เปรียบเขาก็ดีใจไม่เป็นธรรแต่ว่าถ้าใจดีเนี่ยเป็นธรรมันทําชั่วไม่เป็ถ้าใจดีมันทําชั่วไม่เป็นอันนี้เราจึงว่าเจ็ดสับให้มันเห็นอย่าให้มันเป็นใหญ่ว่ามีสติเป็นใหญ่ว่าให้ตาเป็นใหญ่ใช่ตา จับตาไมาใช่ตาหูจะบหูเรียงกายใจเป็นขันเป็นของที่อยู่ในขันสติเป็นเจ้าของขันจับไปใช้ให้สําเร็จประโยชน์สําเร็จประโยชน์เป็นปัญญาสําเร็จประโยชน์ไม่ใช่ตาเราจะเกิดโทษเกิดที่เกิดไปเราเคยเคยหลงเพราะตาเราเคยหลงเพราะหูเราเคยหลงเพราะกลิ่นเราเคยหลงเพราะรสเราเคยหลงพลเพราะสัมผัสเสียหูเสียคนมามดเลย วันนี้ถ้เรามีสติจะกำกับจะกำกับจะดูแลอย่างถูกต้องแม้เขาดา่าไอหมานเนี่ยไอหมาเธอเขาด่าสมมติเราเขาดา่ า, า, ดาว่าเราเป็นหมาแล้วรจรินมันเป็นจริงไหมถ้าเราจะดูให้ดีๆเลยมันไม่ถูกต้องถ้าเขายังดา่าอีกมันก็ใช่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นหมาเคนที่ด่าจะแปลว่ามันโงคนที่ว่าจเนี่ยเชื่อหรือเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก่อนรับ ทา่า้วยไม่ไท่านไวู้กต้องพอที่จะมาเป็นปัญหาพอที่จะข้างเข้าข้าง อ, อารมณ์ที่เป็นบวกเป็นลกแต่ไม่อย่เหนืออารมณ์มันต้องอย่เหนืออารมณ์เนาะทดหนอยอย้ายมันเข้าถึงตัวเรื่งหน้าตัวเกิดได้ให้อย่เหนือวัเราอยู่นั่งบนนั่งอยู่บนฉลากเรมองมไปทางหลัเ ห, ห็นมดเห็นมันแหละมันก็ทำอะไรกับไม่ได้ ใจของเรามันสงสขึ้นมาประกอไม่มีอะไรทับถมเลยนะจิตใจที่ยกขึ้นสมเหนืออารมณ์นี่ท่านเรียกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นภาดไา้จิตโสมนุษย์สัติลาพอแตดเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบปรเสร่าอย่างไร ให้โกรธเหงยากมากยากเต๋อจะใไปทุ่มเหงากมันไม่ง่ายเลยคลวามกดเพราะมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่โกรธเหง่าย่ายาบลื่นเลให้เราใจมัน่นคงเถอะแต่กดมันตรวจรักด่วนปฏิเสธเต๋อมีความเป็นกลนะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราใจสมเหมือนอาจารย์ปรททิธาละเหมือนหนึ่งโยมีดีที่แววผล ถ้าใจต่างเป็นได้แต่เป็นอย่างคนคนแต่มันต่างๆอะไรทับสองเลยนะปปนเปก่ะข่มงล่าข่งดีโพโพแบบนี้แต่มนุษย์ยังไม่เป็นหรือเปล่าจงตัวเลือดตรวจับเลือดยับยับ้งสั่งใจไม่โผงคลนพันแร้งไม่หู้นวายดูหน้าดูนลล้ำวางตัวอะไรที่มันบัญญัตแต่ความเป็นธรมมาขอ สิ่งไหไม่ถูกต้องสิ่ไหนเป็นความถูกต้องสิ่งไหชอบต้องเลือกได้ว่าชนะเลือกได้เลือกใช่ทีวิตได้เลือกเอาสิ่งที่ถูกที่ชอบได้ไม่ผ่่เตือนชีวิตเรานี่เรียกว่าสร้างบุญว่าดชนะวาชนาในแข่งขันกันได้ค <c oughs> นทั้งหลายเขาว่าวาดชนาในแข่งขันกันไม่ได้แต่เราก็ว่าแข่งกันได้ ทำไมแขกมาไหนเราเลือกเขาเราเมตตาเรามเรามตไพรเรามีสติเราเมตตาชนญาเลือกในตัวเนี่ยในคนมันปนเปนกอะทั้งแต่คนฟังดูก็หลายอย่างตรงร้ายคนดีโผล่แผล่แผล่คนเป็นคนเราจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เขาเรื่องมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้มันสูงกว่าเขาเนี่ยเหมือนหนึ่งโยงวีดีที่เปลคนถ้าใจตัดเป็นได้แต่เพียงคน ย่องเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเลือกพนุษะพราะพูดผิดพราพูดถูกทาถูกพวกเวลาเปลปี่ยนเวดาเทนวันสดสังจริงคิดดูถดถ้าใครไม่อยากตกจงเลิยกยกใจตนเลียบฝนควายให้ใจสงเสียได้ควอมตัวายอย่าสงมอยที่เกิดมาอย่างโง่เลยเลือกลนะ้วชีลอ จะไปสุขทำไมจะไปทุกทำไมเราไม่มีลบต่ปล่ปอยแล้ววางง่ายหยุดได้เย็นแล้นะเอาแต่ส่วนที่มันเป็นปะโยชนเลือกต่อช่วยกันบ้าบอกกันบ้าทําให้กันดูบ้านะทําให้เย็นลงได้บ้าทำคนอื่นให้เย็นลงบ้าเลยช่วยคนที่ไม่ทุกให้เขาหมดทุกขต้องมาช่วยกันตรงนี้อรับบาทีเราจะแข่ขันกั น, นโกะเพราะคนหนึ่งโกะ มาล้เพราะว่าเกิดกับเราเรก็โกรธสมมติคนโกรธก่อนมาว่าคนที่ยังไม่โกรธคนโกรที่หลังเป็นทุกสองเท่านคนโกรธก่อนบาดเท่าเดียวคนโกรธที่หลังบาดสองต่อเพราะมันเป็นโง่กับเขาเคยนะเราอยู่ดีๆให้คนมาว่าเราเท่าแล้วเราโการธลังบากโกับเขาสองต่อแล้วลูกเขาไม่ดีเหรแล้วก็ถือสาหล้ยเรื่องโอ้ใช่ไหมไดั่งเลือดกับวัน ยัดจ้างจ้างกิดอย่าพูดว่าเวลาเขากําลังโทโซโมโหกําลังดุคำลาเราเลิกฟังต่ออย่าพูดในเวลาไม่เจ็บโกรธไม่พูดในเวลาโกรธมันก็ค่อยเย็นออกมาอย่ารีบแต่บางคนรี่บรีบเวลาโกรธรีบไปไหนรีบไปด่ามจึงรีบตัวมันจะหายโกรธเพรจะไม่ได้ด่ารีบ หยุดว่าถึงหยุดว่าหยุดก่าหยุดว่าหยุดเย็นตายใจเขาหายใจออดเห็นคามดูมันจะเย็นแอบตลอดสร้างอมไคราวนี nin? ้เราอดทนก็ได้ปฏิบัติอะไรนี่บุมีแฉ่ต้นแฉ่้าตุขนบมีนี่ก็ช่วยบางทีก็เกิดเหตุตาโุนะเกิดเข็มดอกเข็มใจเกิดความไม่อใจเกิดสัจจะเกิดอธิษฐานเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะที่มันโก เป็นความโกรธมันเป็น ป, ปนัญญ า, าแล้วก็ผูกใจสถานการณ์ที่เราคนรเราไม้ปวดผูกใจะนะเ ร, เ ร, เรลองลองคิดดูสิควรที่จะกวดเราไม่ปวดตอนนั้นหรอชีวิตที่ว่วาเราไม่มาท่านเรามาปวดที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ธธต้องมาปุดสติแบบนี้ลูลเท่าูลทันรูดทันอ า, า, า ก, การตา่ตางๆมัดผูกอาการตา่างๆมันเต็โลก การวนรับการิิเสธในสตรู้สตัวสตรู้สติจะช่วยยกออกมาเป็นพูดไทยไทยาวรู้จกตัวขอกอะไรคนั้นว่ามันเป็นตัวไทยบาอภุสุขึ้นสู่ความเป็นผู้มีจิตใจดียวเป็นบุญช่วยเราความรู้สึกตัวแต่เราต้องช่วยควารู้สึกตัวให้โอกาสความรู้สึกตัว ให้เวทีของลูกศิษย์มาคลองกายมาค ล, ล้องใจเปิดประตูรับอยากเป็นผู้เปิดประตูวิธีใดที่จะให้เปิดคล้องลูกศิษย์ลดฝืนลดสร้างให้โอกาสอย่าเอากายเอาใจเป็นวัสดุ อ, อุปกรณ์อิจฉาหล อ, ลอลกตัก้งต่เ น, น่ต่อไปรู้เลยเมกิมมัดผลในพันบุญกุศลเมจิหาได้ในกายก้อบสวรรยาวาชีวิตที่เราเป็น ที่รสึกประทับจไม่มีวิญญาณภาพรู้อะไรได้เพราะมันไม่รู้ไป่หนักมันคิดเป็นอย่ากไปห้ามคิดแต่เราเห็นคนคิดอะเวลาอะไรมันคิดเรารู้ความคิดอะที่มันมาตีประชิดอดีตที่ลงไปแล้วทิ่ตัวเราก็เทยงไม่ว่าถึงไม่ก็ไม่ประโยชน์หรอกแต่เราเนี่ยมาสร้างปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่จะได้คิดอดีตอะไรก็ได้ี เราจะมาทำปัจจุบันถ้าจะคิดคิด ล, ดดลดดดู่ส่วนที่ลู่ส่วนถ้าคิดทงดีตคิดอะไรขนาดเหลยออะไราดอย่างนี้มีไหมนรัชกาลพวนี้มีไพมพวกนี้มีไหมวันพวงนี้มีไหมวันที่หกวันที่เก็ดมีไหมมีตรงนี้มีมีใครเห็นพรงนี้บ้างเห็นไห เราเห็นไหมล่ะฮะตรงนี้เราเห็นไหมเราเห็นเราเห็นตอนไหนได้เราเห็นเดี๋ยวนี้อะไรเราเห็นเดี๋ยวนี้คือของกิ่งอดีตมีไหมเมื่อวานีีเห็นไหมทําอะไรได้เมื่อวานมีไหมเมื่อวานวันที่ห้ามีไหมเราทําอะไรได้วันที่เก็ดมีไหมไ่แต่เราทำไม่ได้ เราทำได้คือปัจจุบันเอากรรมเอาเรื่องส่วตัวเปลี่ยนร่ายเป็นดีเปลี่ยนเดีย๋ยวแต่ทำดีก็ทำตรงนี้นะไปคิดเหลวไหลอ่านนะคนีอาศความคิดแพึพ่ตื่นจะทาไรก็ใช่ความคิดบางอย่างไม่จาเป็นต้งองชความคิดคนะามคิดในใช่ได้เฉพาะเรื่องแต่ฉาคำตอบจากความคิดแตพึพ่งแตื่นมันไม่ได้ไม่ถูกต้องเดียนีคนมนเจ๋งในความคิดนันาด เขาข่อในตัวการตัวการที่หาคาตอบจากคนคิดนั่นไม่มันไม่ใช่บางอย่างต้องทำไม่ต้องใช่สมองไม่ต้องใช่ความคิดทาก็ต้องมีการกระทำจริงๆอะไรไดก็ตองมาคิดทั้งหมดเสมอใช่ถ้าเลยถ้าเลยในความคิดการกระทําตัวนี้อะเมื่อเรามาหัดกะทํอย่าไปคิดอะไรไ ม, มาอย่างคนหมอทํางานแล้ววันนี้งานไม่เสร็จ ทำงาอนอยู่ีบ้านเออฉันทํางานไม่เสร็จฉันทํางานไม่เสร็จมีประโยชน์ไหมนะตาางงานด้วยเรียช่างแล้วกลับมาที่บ้านฉันทํางานไม่เสร็จฉันทํางานไม่เสร็จแต่ต้องคิดที่จะต้องอตัอง้ง ใ, ใจไปใช้ชิ้นแล้วมันทํำไได้สิ่งไหนที่ทําได้คิดแต่มาแต่ปปหว่านี่หมดครับพระพุทธเจ้าเอาเทศบาลนี่จะไปสอนใครน้องอคิดถ่า เรียกว่าอยางเออพวกนี้จะไปสอนเศรษฐีมิจฉาทิทนะติการไปสอนพระเจ้าไปมิจฉาไปทั้งบ้านเศรษฐี <c oughs> ต่อได้โอกาสเข้าไปเศรษฐีก็ขวดหน้าบ้านเลยพระเจ้าก็อมบาทรเดินอยู่หน้าบ้านเศรษฐีก็เรียกมาบอก <c oughs> ไปไปไปหน้าไปหน้า พระเจ้าม่ฟ ไ, ไ, ไปไปทำไมพระเจ้าก็ไม่ไปทีนี่เขาไม่ใส่เราเาไม่ให้ไปไปพระเจ้าก็ม่ไปนีังกสาเศรษฐีก็ด่าเลยเป็นวันไหนมาหาขอแต่เขากินไม่ทาให้กินดเรีไม่ต่ถ้าป็นเราจะทํานพระเจ้าก็โดนฟั เราก็ทำนาเหมือนกันเอาเสถีรก็ยังกรธอยูมีนาที่ไหนเห็นแต่ว่หม้อดินขอาขอเามนาที่ไหนไม่หัวม่ป่วยที่ไหนดูคนเราเราก็ไม่ห่าคือศรัทธาเราเป็คนความเชื่อว่าทำดีปฏดีัติทุกโุกทุกเหมือนหน้านาของเร า, า, า ไ, ไม่ข้าวไม่ไถไม่เก่าปูกข้าวปูกของเราพาือเสถ ธาตไข้ต้องเราคือสมาธิความเคียดที่เราพยายามทำคงด ห, อหือนน้าผลนที่ลดลอยเราสลอดแว้าเรากล้าทำก่อนดีเรากล้ารับความทุกเหมือนกันใน้ามผลเรามีนาในน้าผลนมีข้าวปุ๋ยมีข้าวมีถ่าเราดู้จักไข้ํางเข้าไาน่น้าออกดู้จักต่อยรู้จับวางเราก็ได้ผลคือความไม่เกิดไม่แฉะไม่เก็บไม่ตับ ไม่เหมือนข้าวของเศรษฐีเศรษฐีทำงานได้ข้าวาจริงๆแก่ย่ยกกเกศาเศรษฐีหวาไม่ขวดอะไรอะไรผูดดีหน้อยเลยนี่แนะนำรู้ศรัทธาก่อเชื่อทำดีดีทำชั่วชั่วเราเชื่อมากเศรษฐีความภาคเพียรที่เราจะทำคนดีเหมือนหน้าฝนเรามเมื่อมาเรา้องเป็หน้าฝน เรามีสติเป็นคนหบักแน่ไม่วางตุระทาความดีเหมือนกับชาติกับไทยเรามีสติเป็นข้าวโคกลงไปในกวาเคียงของเข้าวโคกของได้ผลเกษตรเป็นมารเป็นผลไม่เกิดไม่แฉะไม่เกิดไร่าเศรษฐีวาไม่กดไปอุ้มบาตรับบาตรพระเจ้าขึ้นไปบนบ้านไปไประเทศให้ลูกให้เมียเขาเจ้าปรเทศเขาด่าแท้ๆทําทไมเป็นสร้างสถาัตย์ พวกเราเนี่ขนาดโผเมียจันเนี่พูดกันน้อยก็ปกดแล้นลขนาดพระพุทเจ้าเสร็จทิศยังไม่ปวดองคครีมาจับตาเร่ฟันอยู่ยังคิดจะช่วย อ, องค์ครีมานเราจำเป็นต้องเอาอย่างบุคคลนันพอดีบางทีเราทำอะไ ร, ริดหน่อยาเงหเตาเพื่อนรวมานพวกดูหน้าก่อไปกันใหญ่ไม่ต้องรับเย็นเ ย, น ย, นยนช่วยกันให้เย็ด อย่าช่วยกันให้เราคนมีสภีมักจะกรสร้างบาดแผลที่ทำให้เกิดความเย็นเกิดความเป็นงเมตตาติณไม่ใช่จะเกิดแต่ความแสบแคอยมัดระวังเอาผิดเอาโทษนโอ้ยจะดูยังไงโลกยิ่งโรกเราคนหมอทั้งหลายไปม า, า, า, าทำงานร่วมกันทีเพื่อนร่วมงานเรถ้าสิบสามาสิบสามบางคนคนหนักคนทำงานหนั ก, นกม่เข้าใจแล้วเกิดตวาดคนหรือง เราก็ลูล่หลบเป็นติลู่หลีบเป็นฮะคนไหนเที่อะไรช่างไมดีเราต้องลู่อยากไปถูกลูกล่้องก็าคอยเย็นคอยอะไรตให้เขาเย็ น, ยนจะเป็นบุญทําให้คนทุกข์หายทุกข์ในเป็นบุญไม่ต้องไปทอดกระถิ่นตาฝาที่ไยนทาให้คนมีทุกข์หายทุกข์ทำให้คนที่หลงให้หายหลงทําอะไรคนที่โกรธหายโกรธนี่คือทําบุญมื่อทำบุญต่อไปสามีปัญญาทำบุญต่อกัปเพื่อนาทาบุญต่อไ ลาของบุญห น, นีคนะ้าขนตกไปการปฏิบัติทําเป็นแล้วนี่มันขาดแกลบุญไม่อุทิศให้ครัไม่ให้เกิดมีความตกจะเอาลัาธิเอาเปียนไปอีสาเพราะว่ามันก็เกิดคึ้นหรือเป่าคนมีสติว่าจะเกิดปรรยากาศที่ทำให้เย็นจะร้อนมาไลเปลีล่ยนเป็นดีอที่นี่จึงชื่อว่าสุ ข, ขตะโกเป็นผู้ไปดีมา รับรองไห่เป็นิเป็นทางไปดีมาดีตั้งใจไว้ตรเลยก่อนให้อิจฉาให้บาปก็ได้สอนได้อสอนสอนได้ก็ไมเป็นไรบางทีก็มัก็เป็นไล้บางทีเราทาดีก็ไมดอิจาไม่เป็นไรนนนนนทำใจไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงกันอยของที่ตั้งไว้ดีไม่เปลี่ยนได้ที่ได้ทางชีวิตจิตใจของเราก็ได้ที่แล้ว ที่อยู่ของกิจเป็นรางาได้ที่ไม่ได้ดว่าเที่ยง เ, เลยเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเรามาช่วยตั้มักก่นปฏิบัตสมคัรนะเราได้จากได้จดมดในบ้านจียงารูปให้อาจารย์สทัดจัดตัวเชื่ให้ใไปไปเรากลาวพรพ่อครับ